ตั้งแต่ที่ท่านผู้ฟังคลอดออกมาจากคันมารดาเนี่ยบางคนก็จําไม่ได้ด้วยซ้ำวันที่คลอดมานั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรเจ็บไม่เจ็บมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรมีแต่คนก็บอกมาว่าเอาคุณคลอดออกมาก็วันนี้เวลานี้คนที่บอกเนี่ยอาจจะเป็นมารดาบิดาหรือว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลที่ก็ทําคลอดวดเป็นหลักฐานบันทึกเอาไว้ ก็เลยรู้มาได้ว่าอ๋อฉันคลอดออกมาจากคันแม่เนี่เกิดมาดูลืมตาดูโลกก็วันนี้วันนี้ตัวเองจะไม่ได้คนอื่นก็บอกมาอีกทีหนึ่งก็มีการจดบันทึกเอาไว้หรือแม้แต่เวลาที่เราตื่นขึ้นมาจากที่นอนทุกๆวันเนี่ยการตื่นก็ตามการคลอดออกจากคันมารดาก็ตามหรือแม้แต่เราเดินไปไหนทำอะไรในโลกนี้ อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่กิจกรรมใดๆที่เราไปทำอาจจะเป็นการงานที่สำนักงานบางคนอยู่บ้านเป็นแม่บ้านบางคนไปทำงานต่างประเทศบางคนก็เรียนหนังสืออยู่หรือแม้แต่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะแต่งงานไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านใหม่ไม่ว่าคุณจะประสบโรคภัยไข้เจ็บ ไม่บอกคุณจ ะ, จะประกอบอาชีพใดๆพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละตั้งแต่ตื่นมาจนนอนหลับไปนอนหลับไปแล้วฝันหรือไม่ฝันจนตื่นมาอีกทีหนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เราทําที่เราประสบที่เราพบเจอแด้หมดหวังถ้าเราแบ่งเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นกิจกรรมนั้นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนีย่ยแบ่งออก แต่ส่วนไหนที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็เอามารวมกันไว้กองหนึ่งสิ่งไหนที่เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นกิจกรรมนั้นสถานการณ์นั้นๆมีลักษณะเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมและที่แตกสลายได้จากความร้อนบ้างความหนาวบ้างอันนี้มากองรวมรวมกันกองหนึ่ง สิ่งไหนที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นกิจกรรมนั้นนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขกตามเป็นทุกข์กตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ตามมันก็มีแหละในสถานการณ์นั้นนั้นเหตุการณ์นั้นนั้นก็ามากองกองรวมกันไว้กองหนึ่งในคําว่ากองคําว่ากลุ่มกล้อ น, นี่ก็คือลักษณะของขันนั่นเองขันแบบว่ากองขันแบบว่ากลุ่มกอนจดมาฟังในกิจกรรมต่างๆ ที่เราทําที่เราพบเจอเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามมีขันทั้ง5เนี่ยอยู่ในนั้นทั้งสิ้นเอาเรามันมีเราะหเช่นงานแต่งงานดูงานแต่งงานกิจกรรมแบบนี้เราก็มีคู่บ่าวสาวก็เป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเรื่องของรูปความสุขความทุกข์หรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข บางที่ก็มีความสุขเกิดขึ้นนะตอนงานแต่งานแต่บางครั้งมันก็ยืนเป็นหลายๆชั่วโมงว่าก็เหมื่อเข้าปวดอันนี้ก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่ก็พูดอะไรให้เราทราบซึ้งหน่อยแม้เราร้องให้น้ําตาไหลก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง่งอความรู้สึกต่างๆแบบนี้บางทีมันก็เป็นผลของความหมายรู้ในสัญญาแบบใดแบบหนึ่งแต่รู้ว่าอันนี้เขาหล่อคนนี้เขาสวยสิ่งใดมากสิ่งใดน้อยอันนี้เป็นสัญญาความหมายรู้ทั้งสิน้น มีการปรุงแต่งด้วยเดีปรุงแต่งคิดไปทำอย่างนั้นเ ป, นปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ต้องแต่งอย่างนี้ต้องจัดอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสังาการคือการปรุงแต่งและแน่นอนไม่ว่ากิจกรรมใดมีการแต่างงานเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมีการรับรู้รับรู้สิ่งภายนอกรับรู้ต่างตารับรู้ตางหูอันนี้มีแน่นอนหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งคุณอาจจะแค่เป็นไข้ปวดหัว นีดๆหน่อยหรือยหรือบางคนประสบโรคภัยไข้เจ็บมากหน่อย เ, อเป็นมะเร็งแต่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆหรือโรคภัยไข้เจ็บมากๆเนี่ยก็มีร่างกายอันนี้มีแน่นอนมีส่วนที่เป็นรูปขันมีส่วนที่เป็นความรู้สึกด้วยบางคนเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆอาจจะอดทนได้มีความรู้สึกไม่มากเท่าไหร่บางคนที่เจ็บไข้มากๆ ก็มีทุกขเวทนาบางคนจากเจ็บไข้ามากดีขึ้นมาหน่อยก็มีความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นสุ ข, ขเวทนาการที่หมอเขาเรียกชื่อโรคประเภทนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้เชื้อตัวนี้เขาเรียกอีโบลาเชื้อตัวนี้เขาเรียกแบคทีเรียไอชื่อต่างๆที่มันมาได้มันก็เป็นสัญญาคือความหมายรู้มีการปรุงแต่งปรุงยาปรุงแต่งจากสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เปลี่ยนจากโรคเป็นหายอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังขารเปลี่ยนจากโรคเป็นตายอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นสังขารการรับรู้คือวิญญาณมีอยู่ในทุกสิ่งทั้งสิ้นหรือแม้แต่เราอยู่ในสมาธิคุณนั่งสมาธิอย่างยานลงไปจิตสงบเป็นอรมณ์เดียวมันก็อยู่ในกายนี้ย่งมีจิตใจที่เขาไปรับรู้ถึงกายนี้อยู่สมาธินั้นก็เป็นสัญญา เป็นความหมายรู้อย่างหนึ่งในสมาธินั้นเราจะมีความสุขบ้างหราจจะมีความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเน่บอกไม่ได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในสมาธิบางคนพยายามนั่งแต่ก็มั่งไม่ได้มันไม่ได้อย่างที่หวังมันไม่ได้อย่างที่อยากแต่ก็เป็นทุกข์ภาชนาก็มีเหลือสังาขารการปรุงแต่งเดีปรุงแต่งจากสัญญาแบบนี้ให้เป็นสัญญาอีกแบบหนึง่งปรุงแต่งจากตอนที่ไม่มีสมาธิให้เป็นมีสมาธิ หรือมีสมาธิแล้วสมาธิหายไปแต่พวกนี้เป็นการปรุงแต่งทั้งสิน้นจิตที่เข้าไปรับรู้นั่นก็คือวิญญาณแต่มีอยู่หมดและทาฟังไม่ว่าเรื่องอะไรอะไรที่เราเจอที่เราพบเหตุการณ์สถานการณ์กิจกรรมอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งมีขันต์ั้งห้านี้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอในสมาธิมันก็มีส่วนที่ลึกเข้าไปนะที่เขาเรียกว่าอรูปสมาธิชนิดที่ รูปนั้นมันดับหายไปคือจิตนั้นไม่เข้าไปรับรู้เรื่องของรูปแล้วเดีรูปดับหายไปจากการรับรู้ของจิตอันนี้ก็จะเหลือแค่เวชนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งกรณีที่จะเหลือเฉพาะขันทั้ง4ีนี้ก็จะเกิดเฉพาะตอนที่เราเข้าสมาธิขณะรูปสัญญาได้ขั้นอะรูปประชาญได้บางคนก็เรียกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยแต่โดยทั่วทั่วไป แลก็จะมีขันทั้งห้าคือมีรูปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสถานการณ์เหตุการณ์เรียบทใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณเจอทุกวันทุกวันทุกวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คุณฟังเสียงอยู่นี้ก็ยังมีขันหน้าที่เราเข้าไปรับรู้อยู่เรารับรู้เราทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งต้อมฟังมันก็วนเวียนอยู่ในขันท่านี้แหละไม่หนีไปจากนี้ พระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงตรงนี้เอาไว้ให้เนี่ยเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ตั้งบูฟังเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโอ้สมัยพุทธกาลมก็เป็นอย่างหนึ่งเหตุการณ์บ้านเมืองสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นแบบหนึ่งสมัยปัจจุบันนี้โอ้โหมันคนละเรื่องกันแต่ประเทศแต่และประเทศก็พูดภาษาต่างกัน แต่มันมีหลายแบบหลายอย่างมากพูดอธิบายกันไปเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิน้นนี่คือลักษณะของความหลากหลายของเหตุการณ์ของสถานการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้ น, น, นไม่ว่าจะเป็นเรื่องในปัจจุบันอดีตหรือนาคตที่มันยังไม่มามันก็ยังมีผิดแปลกแตกต่างกันไปอีกอันนี้เปรียบเทียบกับอะไระเปรียบเทียบกับสัตว์ในทะเลท่านผู้ฟังในสัตว์ในทะเลเนี่ยมีมากมายหลายชนิดถ้าเราจะทําเครื่องเสียบ กคือจับสัตว์ในทะเลทั้งหมดเนี่ยออกมาแล้วเสียบด้วยเครื่องเสียบไม้เป็นต้นเอาเครื่องเสียบมาจากไหนก็ตัดป่าทั่วโลกมาตัดไม้ทั่วโลกมาทําเป็นเครื่องเสียบแล้วพยายามจะเสียบสัตว์ในทะเลสัตว์ใหญ่ๆก็เสียบด้วยเครื่องเสียบขนาดใหญ่สัตว์เล็กๆก็เสียบด้วยเครื่องเสียบขนาดเล็กเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปจับออกมาจับออกมาเนี่ยมันไม่หมดแต่มาฟังเนื้อย้าไม้กิ่งไม้ ใบไม้ในโลกนี้หมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสัตว์ในทะเลนั้นก็ยังไม่หมดยังมีอยู่อีกเพราะมันมากโดยตัวมันเล็กเช่นเดยียวกันสิ่งต่างๆที่เราเจอเนี่ยรายละเอียดเยอะแยะมากมายสังคมเป็นแบบนั้นแบบนี้คนนี้ต่างก็มีความเห็นเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างพูดกับคนละภาษาแบ่งออกเป็นชายเป็นหญิงอีกสภาพภูมิอากาศโรคไปไข้เจ็บความรู้ความเรียนโอ้เยอะแยะไปหมดนับกันไม่ถั่วจดกันไม่ไหว ทำความเข้าใจกันไม่จบศึกษากันไม่ทั่วจึงต้องมีการแบ่งออกในลักษณะที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจได้คือสิ่งใดก็ตามที่มันมากไปเรื่อยๆแยกแยะแจกแจงไปเรื่อยๆไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเข้าใจได้ยากเป็นสิ่งที่จะไปตามรู้กันไม่จบล่ะพระุเจาจึงทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะ แ, แจกแจงในลักษณะที่จะทาให้สิ่งที่เราดูๆเหมือนว่า มันไม่จบไม่สิ้นเข้าไปศึกษากันได้เรื่อยๆขยายไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันมีความหมายมีนิยามที่แน่นอนทําให้เกิดความเข้าใจได้ตรงนี้จึงเป็นที่มาของเรื่องของขัน ท, ทั้งห้าท่านฟังที่พระพุทธเจ้าแยกแยะเรื่องในอริยสัจสนี่แหละแต่ว่าส่วนที่เป็นความทุกข์ส่วนที่เราเจอๆกันอยู่ในปัจจุบันนะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ทํากิจกรรมนั่นนี่กินดื่มพูดคิด พปรเนที่มีรายละเอียดเปรีกย่อยดูเหมือนไม่จบไม่สิน้นแต่เรามาวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของกันทั้งห้าจะทำความเข้าใจได้บางสิ่งบางอย่างได้โปรฟังแมอธิบายแจกแจงแยกแยะไปได้จนไม่จบไม่สิน้นเป็นเอเนกปริยายเปรียบเหมือนกับจานวนสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะไปนับว่ากี่ตัวกี่ตัวมันยากมากนับไม่ได้แต่เราพอจะจับกลุ่มก้อนรวมกันแล้วทำความเข้าใจได้ ตรงนี้จะเป็นที่มาของการอธิบายเรื่องของขันตะางหาเพื่อที่จะกลุ่มก้อนจับมันมารวมกันรวมกันไม่เกิน5ก้อนนี้ทำความเข้าใจได้แต่ว่าไอ้เจ้าทั้ง5ก้อนนี้ที่เรามาจับกลุ่มกันใหม่ให้นิยามให้ความหมายแบ่งให้เห็นคือถ้าเราดูด้านที่มันไม่จบไม่สิน้นมันก็จะเยอะแยะมากมายแยกแยะแจกจงกันปวดหัวกิจกรรมสานการณ์ความคิดความเห็น เพศอดีตอนาคตนี่ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นละ่ะแต่มองจากด้านนั้นแต่เรามองจากด้านที่จะทําความเข้าใจได้คือแบ่งจากอีกด้านหนึ่งแบ่งจากอีมุมหนึ่งด้านหนึ่งมุมหนึ่งที่แยกแยะ แ, แจกแจงมาให้โดยสัมมาสัมพุทธะเพื่อให้เราเห็นทําความเข้าใจได้ด้านนั้นมุมนั้นคือเรื่องของกงารต่างหากซึ่งตรงนี้อยู่ในมุมส่วนของเรื่องที่เป็นความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์ทุกข์อริยสัจนั่นเอง และทุกข์อริยศาสตร์นี้เป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วเราให้ทําความเข้าใจตรงนี้ทําความเข้าใจให้แจ่มแจง้งไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เราตกอยู่ไม่ว่าจะอิริยาบทใดอิริยบทหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้ไม่ว่าความคิดใดความคิดหนึ่งที่เรามีหายไปแล้วบ้างเกิดขึ้นบ้างหรือว่าคุณจะทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งไปปฏิบัติธรรมสักที่ใดที่หนึ่ง ไปกินอาหารหรือว่าเดินทางไปสักจุดใดจุดหนึ่งจะมีขันทั้ง5้านี้อยู่ ana, ทั้งสิ้นอ right <ly Ult> <edia> ยู่ในกิจกรรมที่เราทําอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในความคิดที่เราคิดอยู่ในความเป็นไปที่เรากระทําอยู่ในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในเสียงที่เราได้ยินอยู่ในความคิดที่เราคิดอยู่มีทั้งสิ้นขันทั้งหานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจว่า ทวีราชาตัดไวอย่างนี้เสมวังบอกว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นภาระบนโลกการปร่งภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าโป่งภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบ่วยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีก ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระตั้งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคาถานี้คาพูดนี้เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสถวายตัมูมฟังเพื่อที่จะอธิบายกิจกรรมสถานการณ์เรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่ามันเป็นของหนักเพราะมันเป็นขัน เป็นขันธ์ทั้งห้าที่ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่แหละรูปคือของแข็งของเหลวกาสิ่งใดแตกสลายได้จัดรวมกันมาลงในสิ่งที่เราเรียกกันว่ารูปสิ่งไหนที่เป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้มากองกองรวมกันไว้เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกสิ่งใดที่เป็นความหมายรู้เป็นชื่อเรียกเป็นสิ่งที่เราสมมุติกำหนดเรียกชื่อมันขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาความคิดความนึก ระบบการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นนมามธรรมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาส่วนการเปลี่ยนแปลงจากสัญญาแบบนี้เป็นสัญญาอีกแบบหนึง่งนัยนเป็นการลักษณะของสังขารการเปลี่ยนแปลงจากรูปนี้เป็นอีกรูปหนึง่งเวทนาความรู้สึกแบบนี้เป็นอีกแบบหนึง่งพวกนี้เป็นสังขารตัางสิน่นเราพวกนี้มากองกองรวมกันก็เลยบอกกองสังขารการที่เราเข้าไปรับรู้ต่างตาทา ง, ทา ง, ทางหูได้ นั้นมีวิญญาณเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนสิ่งนี้มากองกองรวมกันเข้าไว้เป็นวิญญาณขันทั้งห้าเหล่านี้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันเป็นของหนักคนที่จะทำความเข้าใจตรงนี้ได้มีความประเสริฐในใจนะใจนั้นมีความประเสริฐเข้าใจว่ามันเป็นของหนักเข้าใจว่ามันเป็นภาระเป็นภาระที่เราต้องแบกเอาไว้เป็นภาระที่เราจะต้องบริหารขันเป็นภาระที่เราจะต้องมาขายของ ถ้าคุณทำอาชีพขายของเป็นภาระราที่คุณจะต้องมาคอยดูแลร่างกายให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาระที่คุณจะต้องทํายอดขายให้มันเพิ่มขึ้นได้อันนี้ถ้าคุณทําอาชีพในการค้าขายเป็นภาระในการที่จะต้องบริหารจัดการนาให้มันเป็นไปตามระบบการปกครองแบบนั้นแบบนี้จัดการบริหารงานบุคคลถ้าคุณเป็นนักบริหารใน ก, การปกครองอันนี้ก็เป็นภาระที่คุณจะต้องทํา ซึ่งมันก็จัด ก, การขันห้านี่แหละอยู่ในนี้เนี่ยแหละบางคนจะต้องเลี้ยงลูกดูแลผัวทำกับข้าวอาหารดูแลบ้านก็เป็นภาระที่เราจะต้องทำก็ขันห้ามก็อยู่ในนี้แหละเป็นภาระที่เราจะต้องแบกเอาไว้ขันห้านี่เองบริหารขันแต่บางคนมีความคิดเขียนโปรแก ร, รมคอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตจัดการข้อความในระบบสังคมเครือข่ายเขียนเป็นโปรแก ร, รมนะทำเรื่องราวเป็นสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆออกมา นี่ก็เป็นภาระที่เขาจะต้องมาจัดการทําให้เกิดขึ้นอาจจะจับต้องไม่ได้อันนี้ก็เป็นสัญญาเป็นขันเป็นภาระที่เราจะต้องบริหารเป็นการบริหารขันหรือแม้แต่คนที่ทําอาชีพการเกษตรตื่นเช้ามาจะต้องไปกรีด ย, ยางแราคาสูงราคาต่ำก็ไม่รู้แต่ก็ต้องทําและภาระนี้มาแล้วก็ต้องไปทําแต่บางคนเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์จัดการดูแลให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะต้องทําอาชีพการเกษตรก็ตาม อาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ตามพวกนี้ก็เป็นการบริหารขันที่เป็นภาระที่คนที่อยู่บนโลกเนี่ยทำการบริหารทำการจัดการเป็นไปอยู่ขันทั้ง5เป็นของหนักเต็มบ่ังเป็นภาระที่เราจะต้องแบกมันเอาไว้เป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อแบกเอาไว้มันก็หนักละมันหนักแน่นอนหนักที่ไหนบางคนทำงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้แบกหามไม่ได้อะไรเลยอยู่ในสานักงานนั่งแอร์เย็น แล้วก็รู้สึกหนักบารู้สึกหนักไหล่เหมือนกับแบกของแบกหามทำงานเป็นจับกังแต่ตั้งทั้งที่ไม่ได้ไปไร่ไปนาไม่ได้เลี้ยงบัวเลี้ยงควายแต่ก็มีภาระเหมือนกันหนักเหมือนกันแล่นมันหนักที่ใจนี่แหละแต่บังหวังมันหนักที่ใจอาการมันจึงไม่ปรากฏทางกายให้กายนี้รู้สึกเจ็บปวดมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นต่างๆแม้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกันหน้าเหมือนกันนะเอเอ้ยใจความคิดความรู้สึก เอาทำไมมันไปปรุงแต่งเป็นไปในทางกายได้ก็ขัดหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นของหนักเป็นเป็นภาระที่คนเราเนี่ยแบกเอาไว้เดี๋ยวเราจึงรู้สึกมีความเป็นสุขเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งต่างๆที่เหมืนเกิดขึ้นเพราะเราแบกของหนักเอาไว้ซึ่งภาระหนักนี้เนเป็นทางใจนะท่านผู้ฟังเป็นทางใจบางทีเรื่องราวทางกายไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นแค่สนทนาคุยกันไปคุยกันมาแต่รู้สึกมันหนักอกไง มันหนัก aux, เรื่องราวบางเรื่องแม่มันหนักใจเหลือเกินทั้งที่มันไม่ได้ต้องไปยกของแบกของไอความหนักตรงเนี้คือภาระหนําภาระอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันจะไม่รู้สึกหนักไอความรู้สึกหนักอันนี้แสดว่าคุณเจอขันห้าแล้วนะขันห้าอยู่เฉพาะหน้าแล้วถ้าเรารู้สึกหนักรู้สึกเป็นภาระรู้สึกเป็นของหนักนี่คือธรรมาชาติของขันหาเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้สึกอย่างนี้แสดงว่าเราเจอขันห้าก็ให้แล้ว ในรูปแบบของที่มาทางใจก็ตามในรูปแบบของที่ปรากฏขึ้นทางกายก็ตามซึ่งเวลาที่เราเจอขันห้าแล้วตะบูฟังมันหนักอยู่ที่ใจเนี่ยมันหนักอยู่ที่ใจเราจะทำยังไงให้ใจเรามันเบาได้เราก็ต้องวางที่ตรงใจตรงนี้เพราะว่าบุคคลที่วางไดหวางขันห้านะวางกันนะวางที่ใจนะวางที่ใจมันก็ไม่หนัก ซึ่งอันนี้มันไม่เหมือนกับการที่เราไม่ทํางานไม่สื่อสารไม่คิดอ่านการงานงานการไม่เกิดไม่ใช่งนะั้นนะการที่ไม่คิดอ่านการงานไม่ทํางานใดๆเลยเนี่ยอันนี้คือความขี้เกียจความขี้เกียจนี่เป็นความหนักอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นความหนักที่จะสร้างภาระหนักขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งนี้ไม่ใช่ความเบาเป็นการแบกภาระอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนไหนก็ตามที่เราทํางานอยู่อยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณจะเลี้ยงประสัตว์ทำนาเกี่ยวข้าวหรือคุณจะทำงานในสำนักงานคุณจะอยู่ในสถาน ก, การณ์ใดสถาน ก, การณ์หนึ่งพูดคุยกับใครแล้วหนะ้าใจข้างในมันเย็นมันเบามันสบายแสดงว่านะตอนนั้นเราไม่ได้แบกกองหนัากเอาไว้เรามีใจที่ประเสริฐใจที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่ามีศีลใจประเสริฐเพราะอะไรเพราะมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียว ใจประเสริฐพระอะไรเพราะมีความเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆที่เราพบเจออยู่ว่ามันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่ควรที่จะเข้าไปเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนมันเป็นขันธ์หน้าของมันธรรมดาเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีการปรุงแต่งเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา เห็นอยู่อย่างนี้มันจึงเบาความเบาที่เกิดขึ้นในใจทั้งๆ ท, ท, ที่เราทํางานอยู่นี้เป็นเพราะว่าเราเจริญมาร์นั่นเองทั ง, งมดร์กแปลว่าทางซึ่งหมายถึงศีลสมาธิปัญญาเราทํางานหนักก็ตามแบกหามทําการเกษตรทํากับข้าวทํางานบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเบาๆนะบางคนอยู่ที่วัดทํางานวัดนี่ก็เป็นภาระเป็นงานหนักเมกือนกนนะแต่จิตใจทําด้วยจิตใจที่ มีศีลสมาธิปัญญาใจมันเบาใจมันเป็นบุญใจที่เป็นบุญใจที่เบาแสดงว่าคุณวางของหนักนี้ได้ในทางตนข้ามนะท่านบุฟังถ้าคนที่ทํางานเบาๆทํางานนั่งโต๊ะทํางานสํานักงานถ้าจิตใจไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตใจยังคล่ําเคร่งจิตใจยังมีความเครียดคลัดจิตใจยังมีความมึนตึงนั่นมันหนักที่ใจมากมากเลยเป็นภาระหนักที่ยังวางไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่วางภาระหนักลงแล้วเนี่ยคือคนประเสริฐประเสริฐตรงไหนประเสริฐตรงที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการงานที่เราทําอยู่หนักก็ตามเบาก็ตามในสถานการณ์ที่เราอยู่กับคนอื่นก็ตามคนเดียวก็ตามในอริบที่เราเป็นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องประเสริฐแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความจางกลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นแล้วมันดับได้มันเกิด ข, well. ข, ขึ้นแล้ว <onsieur wheel. S 1> มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ไอ้ขันทั้งที่เราอยู่กับมันนี่แหละไอ้สถานการณ์ที่เรารับรู้รับทราบมันนี่แหละเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างหนึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันที่มากระทบความเข้าใจตรงนี้คือความประเสริฐความประเสริฐที่เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วมันเบา มันเบาที่ใจไม่ยึดติดอไว้ความเบาที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเพราะว่าเราวางภาระหนักนั่นเองวางตอนไหนเนี่ยวางตอนเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเข้าใจแล้วเป็นคนประเสริฐเกิดความเข้าใจแล้วเป็นคนดีแล้วมันวางตรงนั้นวางแล้วมันจึงเบาในใจคนที่มีความเบาในใจแม้ทํางานหนักก็ตามคุณมีความประเสริฐนะคุณมีความประเสริฐเพราะว่าใจิตใจนั้นมีศีลสมาธิและปัญญา เราจะทำความเบาให้เกิดขึ้นในใจแม้เราทำงานหนักเป็นงานหนักที่ต้องใช้แรงงานก็ตามเป็นงานหนักที่ต้องใช้สมองก็ตามการทำงานหนักเป็นตันฝังจริงๆแล้วเป็นสิ่งดีนะคนเราคุณจะต้องมีความขยันมีความเพียรความอดทนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะรับภาระหนักทำงานหนักอันนี้เป็นสิ่งดีพรบุรชาทํางานหนักไหมโอบุตชาิก็เป็นผู้ที่ทำงานหนักนะลุกขึ้นมาเตื่นเช้ามาแ ต, แต่พระอาทย์ยังไม่ขึ้น ตรว ด, ดูสัตว์โลกเดินไปบิณนาบาบด้วยปลีแข้งเหตุสอนภิกษุทั้งหลายก็ะดับบารียังรวมถึงเทวดาและพรหมต่างๆบนนี้อีกงานเยอะมากงานหนักมากเป็นภาระนะเป็นบาระที่ท่านรับเอาไวา้ด้วยความเป็นสัมมาสพุทธะท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะท่านพระอานนท์ต่างคนต่างก็รับภาระช่วยกันในการที่จะบอกสอนภิกษุทั้งหลายในการทําความแจ่มแจ้งในธรรมะให้เกิดปรากฏ ในการที่จะรักษาศีล ร, รักษาสมาธิเอาไว้เป็นภาระที่ท่านรับเอาไว้เป็นภาระที่ท่านแบกเอาไว้แต่ทําไมมันไม่รู้สึกหนักอ่ะเพราะไอ้ตรงภาระตรงนี้ภาระที่เป็นแบบศีลสมาธิปัญญานี่ยมันไม่เหมือนกับขันทั้งห้าไงท่านผู้ฟังขันทั้งห้าเป็นของหนักแต่การที่เรามีศีลสมาธิปัญญาทําไว้อย่างดีอันนี้ก็เรียกเป็นมัชเป็นทางมันไม่เหมือนกันนะไอ้บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอันนี้จะสัญญา อนัตตสัญญาอาธินวมาสัญญาหรือมรณสัญญามรณสติเนี่ยเรียกชื่อหนึ่งกับมรณสัญญาก็มีอานาปานสติก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งแล้วสัญญานี่มันไม่เหมือนกันหนามันไม่หนักเหรอมันต่างกันนะผู้ฟังอย่างสัญญาความหมายรู้ในคําพูดเขาพูดมาคํานี้โอ้โหมันสะเทือนใจมากเลยมันหนักใจมากเลยอันนี้เป็นสัญญาแล้วเราจะต้องปกครองแบบนี้บริหารงานแบบนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญา สัญญาพวกนี้เป็นของหนักจำบุฟังแต่สัญญาใดาสัญญาหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช้กายของเราเป็นรูปแล้วปฏิบัติตามมาัคอันนี้ก็มีรูปเมตนาสัญญาสังขารเหมือนกันมีเหมือนกันปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่ใจก็มีวิญญาณเหมือนกันแต่มันเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกําหนัดความดับความระ ง, งับความรู้ยิ่งความรู้ร้อมนิพพานไอสิ่งที่เป็นไปในแนวทางนี้อันนี้เรียกว่ามัค มักคือทางที่จะทำให้ถึงความวางความเบาความปล่อยความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานทางตรงนี้ก็มีคุณสมบัติเหมือนกัร์น่านั่นแหละบางทีเราจึงเรียกว่าเป็นภาราเหมือนกันคนที่รับภาระในการที่จะรักษางานพระาศาสนาคนที่รับภาระในการที่จะบอกที่จะสอนมีเราอริยสาวกเป็นต้นเนี่ยรับภาระในาศาสนานี้ช่วยกันแต่มันเบาที่ใจเพราะอะไรเพราะว่าสัญญาเหล่านี้สัญญาเหล่านี้นะ มีเรื่องของมาร์กแปดนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความหนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความร่ ง, ง, ค, วรงความรู้พร้อมนิพานนิพานแปลว่าเ ย, นเายในใ็นเบาอยู่ในใจมันเบาเย็นอยู่ในใจมันจึงไม่หนักทั้งๆที่เป็นภาระที่ต้องใช้ความสามารถอย่างยิ่งในการที่จะทำช่วยกันมีการอดทนมีการไม่ย่อท้อต่อตความยากลาบากเป็นคนกล้าหาญเข้มแข็งและบางทีเราก็รู้สึกได้ตามวัง อย่าเราทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความตั้งใจจริงมีการประสบความสําเร็จขึ้นมาแมมมันเบามันโลง่ทงทางกาที่งานนั้นมันหนักเชานาบางคนเนี่ยครัาบาชาวเคยเห็นแต่ทำํำนามาตลอดปีเน่ด้วยความเพียรความอุตสาหะอย่างยิ่งเนี่ยพอนาสําเร็จเป็นข้าวเปลือกออกมามันมีความภูมิใจในใจแต่ว่าเออฉันก็ทํามาด้วยความเพียรของฉันกําลังแขนกําลังขาของฉันในความภูมิใจตรงนี้มันจึงรู้สึกเบา เพราะว่าเราระลึกถึงความเปลี่ยนความพยายามที่เราใส่เข้าไปไอ้ความเปลี่ยนความพยายามที่เราใส่เข้าไปนั่นน่ะมันเป็นมัคเป็นสัมมาวายมะเป็นความเปลี่ยนทางกายก็มีความเปลี่ยนทางใจก็มีมันปนปนกันอยู่ตรงนี้ท่านฟังมันดูเหมือนเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเป็นความเหมือนที่มีความแตกต่างว่าภาระที่ทําให้เบากับภาระที่ทําให้หนักมันมีภาระที่ทํ า, า, ทท ใ, หาททให้มีความหนักนั้นคือเรื่องของขันธ์ตัางหาที่มันจะทําให้เป็นไปเพื่อความยึดถือ ความยึดถือติดได้อยู่กับขันห้าเท่านั้นล่ะมันไม่ได้ติดที่อื่นมันติดอยู่กับขันห้าแล้วมันจะไม่มันหนักแต่ถ้าอะไรที่คลายความยึดถือถึงแม้จะมีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเศรีเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะสมาธิเที่ยงไหมบางทีมก็มีบางทีมก็หายไปนะปัญญาล่ะบางทีเราก็ลืมๆมันก็ไม่เห็นเหมือนกันสติมันก็เพลอะเพก็มีเดี๋ยวซึ่งมันเกิดขึ้นมันดับได้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นดับได้เป็นความทุกข์หรือเปล่าเป็นนะ เป็นภาระที่เราจะต้องมารับมาฝึกให้เกิดมีไหมใช่นะแต่ภาระแบบนี้มันคลายตัณหามันคลายความยึดถือพอไม่มีความยึดถือไม่มีตัณหามันจึงรู้สึกเบาเป็นภาระที่ทำให้เราเบาภาระในการฝึกปฏิบัติตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นภาระที่ทาให้เบาเพราะมันไปแสะไปเี้ยไปล้างไอ้เจ้าตัณหาความยึดถืออวิชชาพวกนี้ออก ตัณหาความยึดถือวิชาทุกฝั่งมันไปติดอยู่อะไรตรงนั้นหนักสันติมันหนักที่ใจหนักที่ใจแล้วเราจึงรู้สึกว่าอันนี้มันหนักอันนี้มันจึงเป็น b าระแต่คนที่มีศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าประเสริฐมีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วจึงเป็นผู้ที่วางภาระหนักลงเสียได้แล้วไม่เข้าไปจับช่วยเอาของหนักใหม่ขึ้นอีกเ่ยจึงเป็นผู้ที่ถอนตัณหาขึ้นได้กระตังรักเราทําศีลสมาธิปัญญาเรื่อยๆทําอยู่เรื่อยๆ รับภาระตรงนี้เอาไว้พยายามที่จะละความยึดถือในสิ่งต่างๆมันจึงเบาลงเบาลงรับภาระในเรื่องของการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้เอาไว้มันจึงเข้าไปแทะจนถึงตัณหาจนถึงอวิชานู่นก็เป็นบูติถอนตัณหาขึ้นได้ก็ต่างรากรากคืออวิชชาถอนขึ้นออกแล้วก็เป็นผู้ที่ดับเย็นนั่นเองมีความเย็นอยู่ในใจความเย็นนั้นคือ น, นิพพานตอนที่เข้าสู่นิพพาน ศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นภาระที่เรารับมาทํามาไม่เกิดความเบ า, เบาขึ้นนี้ก็ไม่ได้ออกไปด้วยเป็นสิ่งที่ไว้กับโลกนั่นเองเป็นสิ่งที่จะคอยแสะคอยล้างเจ้าตัณหาวิชานี่แหละตัณหาวิชาอยู่ที่ไหนศีลสมาธิปัญญาต้องอยู่ที่นั่นเป็นภาระที่ต้องมาด้วยกันความหนักก็ต้องคู่กับความเบาความมีก็ต้องคู่กับความไม่มีความยึดถือก็ต้องคู่กับความปล่อยวางอะไรที่ทําความปล่อยวางให้เกิดขึ้นได้ มันก็อยู่กับความยึดถือนั่นแหละเป็นภาระสองด้านแต่านฟังภาระที่ข้าพเจ้าพูดถึงในที่นี้คือเราต้องใช้ความเปลี่ยนนั่นเองความเพียนที่เป็นไปเพื่อให้ได้ปัจจัยสีพวกนี้นั่น at, เป็นความเปลี่ยนที่ทําได้ยากความเพียนที่จะละเสียซึ่งจะความยึดถือทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากทําได้ยากเราจะรับภาระอันไหนการรับภาระในหนึ่องของความเพียนที่จะละเสียพึ่องอความยึดถือนี่แหละเป็นยอดแห่งความเปลี่ยน ไอ้ตรงที่มันหนักนั่นแหละมันวางตรงนั้นดูให้ดีของหนักอยู่ที่ไหนวางมันตรงนั้นของหนักอยู่ที่ไหนปล่อยได้ตรงนั้นอันไรมันจะวางก็รับภาระนั้นเอาไว้ศรีสมาธิบัญญาติทตรงนั้นมันจะวางได้บางคนจะเข้าใจว่าโห้งานหนักขนาดนี้ทั้งเรียนทั้งสอนทั้งดูแลบ้านอะไรจะให้มารับภาระปฏิบัติธรรมอีกอ็มันจะเป็นไปได้ยังไงนี่แสดงว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าไอ้ที่มันหนักเนี่ยเพราะความยึดถือที่มันติดเอาไว้ มันจะเบาได้ก็ต้องแส้ความยึดถือนี้ออกจะแส้ความยึดถือได้ก็ต้องทําตามศีลสมาธิปัญญานี่ล่ะคุณรับภาระสิรับภาระรับภาระในการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามันจะยิ่งเบายิ่งเบาในใจเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานั้นจะแส้ไอ้เจ้ากาวนี้ออกได้ไอ้เจ้าความยึดถือนี้ออกได้มันหนักเพราะว่าความยึดถือในกันทัหน้าเราจเจ้าความยึดถือออกได้ก็ต้องใส่ธรรมะเข้าไปในจิตของเรา มันหนักตรงไหนใส่ธรรมะเข้าไปตรงนั้นใส่ธรรมะเข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะกลายความยึดถือในความหนักนั้นได้หนักใช่ไหมให้มันหนักเข้าไปอีกหนักคูณสองเข้าไปเลยมันจะได้เบาหนักทางขันห้าแล้วให้มันหนักทางธรรมะด้วยเราจะมีความมั่นคงในธร ร, รรมะมีความมั่นคงในอริยสัจสีมีความมั่นคงในศีลสมาธิปัญญาความมั่นคงนี้มันรู้สึกเบาอยู่ในใจเพราะมันกลายความยึดถือ ในขันทั้งห้าที่เป็นของหนักนั้นพระรูปเจ้าจึงสรุปไว้ในที่นี้ธรรมบุฟังบอกว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นภาระบนโลกการปรองภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปรงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวย เอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระตั้งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือข้ารพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดานานอนไาโศกเจริญพร